มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคพระคัโตพิคุคณนนะอเปกขภาวะปัญหาที่สิบถามว่าเดิมตรัสว่าจะไม่ปกครองคณะสงฆ์ภายหลังตรัสว่าพระสีอ่านจะปกครองคณะ เหมือนตถาคตเพราะอะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาสมเด็จพระบรมโลกกานาสาสดาจารมีพระพุทธดีกาโปรดประธานดังนี้ว่าอานันท์ดูกระสำแดงอานุนจิตตถาคตนี้มาปริวิตกว่า จะไม่บริหารปกครองภิกษุสงฆ์และจะไม่เป็นกังวลยกย่องภิกษุสงฆ์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสประพาทไวเ้เชนนี้ครั้นมาอีกทีหนึ่งเล่าสมเด็จพระอนาวราณายานเจ้าเมื่อสรรเสริญสภาวะคุณแห่งสมเด็จพระเมรไรโพธิสัตว์เจ้าอันจะมาตรัสในอนาคตกาลภายภาคหน้านั้นสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่า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 ดูกระสาแดงอาห น, นุนเอวังจิตตังจิตของตถาคตนี้มาปริวิตกว่าจะไม่บริหารปกครองภิกษุสงฆ์และจะไม่เป็นกังวลยกย่องภิกษุสงฆ์คาเดิมว่ากรณีครั้นมาภายหลังเล่าสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณเจ้าเมื่อจะทรงสันเสริญสภาววคุณอันใหญ่แห่งสมเด็จพระเมตไตรยเจ้า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 เป็นคำรบสิบจบเท่านั้นจบทุติยาวัก